ไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนไ ง, ไง่ายสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีโดนใจละลายเธออันตรายปากไม่ตรงกับใจโถไม่งามวิไลผู้ชายผิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนไ ง, ไง่ายสูงยาวและมีสไตล์แต่ยิ้มมาทีโดนใจละลาย เป็นจังไดน้าหัวใจของไอ ย, ยังสมสารคอยจะมานานคิดทอดว่าน้อละคำแพงายมักเจ้าเฮงหังวใจของพี่เป็นเต้นแรงไอตายก็ยอมแทนเธอไดเข้ามาตั้งสายได้กาวนาฬีกาก็จะเข้าตายขอโทนไม่ได้เจต น, นาฉันจะบ้าตายในตอนที่เธอชม ม, ม, ม, มามอง ตายจะยิ้มมาทีเดินใจละลาเจออันตรายปากไม่ตรงกับใจโถไม่งามพี่ลายผู้ชายผู้ดำมันโคจะตายไม่มองไม่ได้เจอเป็นคนง่ายสูงยาวแล้วมีสไตล์จะยิ้มมาทีเดินใจ อยู่แบบนี้ตลอดกาลเธอมาจากไหนชื่อบอกที่เป็นคนที่ซ้านหรือคนกลางสองของไอไม่ค่อยมีแต่ความัดัดีใหใจเธอ มีสตืต้ายแต่ยิ้มมาทีดวใจละลายเธออันตรายปากไม่ตรงกับใจโทไม่งามวีดา